บทที่ 5. จุดผิดพลาดในการดูจิต 5.1 การทำกรรมฐานผิดพลาดส่งผลร้ายต่อตอนเองและพระศาสนาการดูจิตก็ไม่ต่างจากการทำกรรมฐานอย่างอื่นคือหาก 1. ไม่มีกัลยะาณมิตรอันได้แก่ครูบาอาจารย์ที่รู้จริงและประกอบด้วยเมตตาหรือ 2. ไม่มีโยนิโสมนสิการ อันได้แก่ความแยบคายในการพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติที่ดำเนินอยู่ให้ถูกตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติก็มีโอกาสที่จะถูกอาจารย์สอนหรือถูกกิเลสหลอกให้ทําอย่างอื่นที่นอกลู่นอกทางแล้วคิดว่ากําลังปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่ความเสียหายจะเกิดกับตนเองนับพบนับชาติไม่ทวน เพราะจิตจะซึมซับมิจฉาทิฏฐิแน่นหนามากขึ้นและยิ่งเป็นผู้ที่ชอบเผยแพร่ความรู้ความเห็นที่ผิดเพราะการปฏิบัติที่ผิดของตนออกไปด้วยแล้วก็จะยิ่งทําให้พระศาสนาและผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์อื่นๆร่อยเสียหายไปด้วยทุกวันนี้ไปที่ใดก็พบคนดูจิตและมีการสอนดูจิตกันอยู่ทั่วไปแต่การดูจิต รวมทั้งการทำวิปัสสนากรรมฐานด้วยอารมณ์กรรมฐานอื่นๆเป็นงานที่ละเอียดประณีตมากจึงเกิดการสอนและการดูจิตที่ผิดพลาดให้เห็นได้เนืองๆส่งผลให้บางคนถึงกับสำคัญตนผิดว่าบรรลุคุณธรรมชั้นสูงถึงขั้นหมดความยึดถือจิตแล้วทั้งที่อย่างละกิเลสใดๆไม่ได้เลยทำได้เพียง 1. การหลงอยู่ในโลกของความคิดเช่น คิดเรื่องจิตว่างความว่างความไม่มีอะไรเลยการไม่ยึดถืออะไรเลยเป็นต้น 2.. การหลงนิมิตภายในที่จิตปรุงขึ้นเองเช่นโอภาสคือแสงสว่างการระลึกชาติการรู้อดีตและอนาคตการเห็นภาพหรือเสียงหลอกลวงต่างๆที่จิตหลอนขึ้นเอง 3.. การหลงนิมิตภายนอกที่จิตออกไปรู้ไปเห็นเช่นการเห็นผีสางเทวดานรกสวรรค์การรู้จิตคนอื่นและการได้ยินความคิดของผู้อื่น4การหลงกับอาการปีติเช่นอาการตัวลอยตัวเบาตัวโคลงขนลุกและความรู้สึกวูบวาบ5การหลบเข้าไปอยู่ในภพละเอียด อันเป็นสภาวะที่ผู้ปฏิบัติหลงสร้างขึ้นมาเองเช่นความว่างภายในความว่างภายนอกและการดับความรู้สึกนึกคิดชั่วคราวระหว่างการเข้าสมาบัติซึ่งเมื่อหลงอยู่แล้วจะรู้สึกสุขสบายไร้ทุกข์ปราศจากกิเลสเกิดสำคัญผิดว่านี่เป็นทางบรรลุมรรคผลนิพพานหรือนี่คือนิพพาน ซึ่งจิตสามารถเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้จริงหรือ6การปล่อยให้กิเลสผลักดันจิตอย่างอิสระโดยไม่ยอมรับรู้ถึงกิเลสนั้นจนขาดอาจาระสมบัติคือระเบียบแบบแผนความประพฤติอันดีงามเพราะคิดว่านั่นคือความไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงเช่นนึกจะกล่าวทำก็กล่าวเอาเองแบบอัตโนมัติ นอกเหนือคำสอนของพระพุทธเจ้านึกจะด่าใครก็ดา่านึกจะปัด ส, สาวะในที่สาธารณะก็ทำนึกจะแสดงการเหยียบย่ำพระพุทธรูปหรือรูปพระพิษุ ค, ครูบาอาจารย์ก็ทำเป็นต้นและเมื่อคิดว่าตนเองบรรลุมรรคผลหรือหมดกิเลสแล้วก็มักฟุ้งซ่านอยากสอนผู้อื่นบางคนถึงกับเที่ยวไปตามวัดหรือสานักปฏิบัติต่าง ทั้งที่ไม่มีใครเชิญแล้วประกาศลัทธิของตนด้วยความฟุ้งซ่านในธรรมหรือด้วยความอยากใหญ่ก็มีให้เห็นอยู่เนึ่งๆนงการกระทาเช่นนั้นพาคนที่ขาดเหตุผลและไม่ได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้หลงผิดตามไปด้วยเข้าทํานองคนบ้าจุงคนโง่แล้วคนโง่ก็นักถือคนบ้าเพราะคนโง่เห็นผิดว่า คนที่ทำอะไรตามใจชอบคือคนที่ไม่ยึดถืออะไรแล้วที่น่าสลดสังเวชใจก็คือคารวาสบางคนที่สำคัญตนว่าเป็นพระอริยาบุคคลถึงกับคุยอวดด้วยความภูมิใจว่าตนไปที่วัดโนนวัดนี้ก็มีพระพิสุมากราบไหว้ตน น, นว่าเหลวไหลต่างกันไปหมดทั้งพระทั้งโยมเพราะไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดี จึงไม่ทราบว่าเพศของเครหัสนั้นรองรับคุณของอรหัตมักอรหัตผลไม่ได้และครหัตที่เป็นพระอริยบุคคลก็จะเคารพพระธรรมวินัยและเพศบรรญชิตย่อมไม่ยอมให้พระเนรมกราบไหว้ตนอย่างเด็ดขาดเพราะเป็นอริยประเพณีสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเช่นไม่เคยปรากฏเลยว่าพระเจ้าพิมพิสาร จิตตะครเหบดีอนาตะบิณกเศรษฐีนางวิสาขามิคารมาตาหรือหมอชีวกะโกมารพัทซึ่งเป็นพระอริยบุคคลจะยินยอมรินดีให้พระภิกษุที่เป็นปุถุชนกราบไหว้ตนสำหรับภิกษุที่เคารพพระธรรมวินัยก็จะไม่กราบไหว้ครเหัดเพราะแม้แต่จะกราบไหว้ภิกษุผู้ทรงคุณธรรมสูงแต่อ่อนพรรษากว่าก็ทาให้ได้แล้วเนื่องจากพระพุทธเจ้า ทรงกำหนดให้พิสุเคารพกันตามหลักอาวโสพันเตคือผู้บทที่หลังต้องแสดงความเคารพผู้บทก่อนจึงเป็นไปไม่ได้ที่พิสุจะกราบไหว้ผู้ที่ยังไม่ได้บทซึ่งไม่มีอายุพรรษาเลยไม่ว่ายุคใดสมัยใดคนก็เห่อพระอริยะกันเสมอมาในครั้งพุทธกาลแค่คนไม่นุ่งผ้าแล้วประกาศว่าฉันไม่ยึดถืออะไรแล้ว ผู้คนก็ยังแตกตื่นนับถือว่านี่คือพระอรหันต์พวกที่ตื่นพระอรยะนั้นหากมีใครมาประกาศตนว่าเป็นพระอรยะพึงใช้ความสังเกตให้ดีว่าผู้นั้นประพฤติตนเรียบร้อยไม่ทำในสิ่งที่คนปกติเขาละอ า, ายที่จะกระทำหรือไม่มีศีลสมบูรณ์หรือไม่มีจิตปลอดโปรง่ง ไม่กัดแกว่งหรือหวาไปตามแรงขับของกิเลสหรือไม่แสดงธรรมถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งในระดับศีลสมาธิปัญญาและวิมุตหรือไม่ซึ่งถ้าสังเกตกันนา น, านก็พอจะสังเกตได้ไม่ยากนัก 5.2 ลักษณะของการดูจิตที่ผิดพลาด เมื่อได้ปรารบถึงพฤติกรรมของผู้ดูจิตอย่างผิดพลาดแล้วซึ่งความจริงผู้ปฏิบัติกรรมฐานอื่นที่ผิดพลาดก็มีมากไม่แพ้กันคราวนี้จะกล่าวถึงการดูจิตที่ผิดพลาดในแง่มุมต่างๆซึ่งล้วนแต่ผิดพลาดจากแก่นทมคําสอนของหลวงปู่ทั้งสิน้นกล่าวคือ5 2 1การหลงคิดเรื่องจิตการคิดเรื่องจิต ไม่ใช่การดูจิตสมดังคำของหลวงปู่ที่ว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดหมายความว่าผู้ปฏิบัติพึงปล่อยให้จิตคิดนึกปรุงแต่งไปตามธรรมดาของจิตเพียงแต่มีสติตามรู้เจตสิกธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตเช่นความรู้สึกสุขทุกข์และอารมณ์อันเป็นกุศล และอากุศลต่างๆตลอดจนตามรู้กระบวนการทำงานของจิตด้วยจิตที่มีสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นจนเกิดปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตและเจตสิกธรรมต่างๆไม่ใช่เอาแต่คิดนึกปรุงแต่งว่าจิตไม่เที่ยงบ้างจิตเป็นทุกข์บ้างจิตเป็นอนัตตาบ้างคิดถึงความว่างบ้างคิดถึงนิพพานบ้างซึ่งนั่นไม่ใช่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่อย่างใด ลักษณะของการดูจิตที่ผิดพลาดข้อต่อไปคือ 5.2.2 การหลงดูสิ่งอื่นที่ไม่ใช่จิตผู้ดูจิตที่ไม่รอบครอบอาจหลงไปดูสิ่งอื่นที่ไม่ใช่จิตซึ่งได้แก่อารมณ์ภายนอกกับอารมณ์อันเป็นความปรงแต่งภายในทั้งด้วย 1. ความจงใจ 2. ความเผลอเพลิน และ 3. ความรู้เท่าไม่ถึงการเนื่องจากคิดว่าการดูนั้นเป็นการดูจิตที่ถูกต้องเป็นทางบรรลุมรรคผลนิพพานหรือดูแล้วมีความสุขหรือสนุกหรือน่าสนใจที่จะดูตัวอย่างเช่น 5.2.2.1 อารมณ์ภายนอกเป็นการหลงไปกับปรากฏการภายนอกกายหรือจิตของตน ซึ่งมีทั้งสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่ไม่เป็นจริงอันเป็นนิมิตที่จิตสร้างขึ้นเองเช่นเมื่อดูจิตอยู่แล้วจิตเกิดส่งกระแสะออกไปรู้เห็นสิ่งภายนอกเช่นเห็นผีและเทวดาเห็นรัศมีกายและรัศมีจิตของผู้อื่นได้ยินเสียงความคิดของผู้อื่นรู้วาระจิตของผู้อื่นการรู้เหตุการณ์ในอดีตและอนาคตเป็นต้น ส่วนมากการหลงอารมณ์ภายนอกมักเกิดจากความสนุกความอยากรู้อยากเห็นหรือความอยากเด่นอยากดังเป็นการออกไปรู้ทั้งที่ทราบและไม่ทราบว่าไม่เจตทางของการบรรลุมรรคผลนิพพาน 5.2.2.2 อารมณ์ภายในเป็นการหลงไปกับปรากฏการณ์หรือความปรุงแต่งภายในกายหรือจิตของตน ซึ่งมีทั้งสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่ไม่เป็นจริงอันเป็นนิมิตที่จิตรสร้างขึ้นเองตัวอย่างเช่น 1. เมื่อเห็นวิบากของการจงใจปฏิบัติด้วยอำนาจของโลภะและโทสะที่มีลักษณะเป็นก้อนแน่นๆอยู่กลางอกก็สำคัญว่านั่นคือจิตแล้วหลงไปจ้องดูโดยคิดว่านั่นคือจิต2เมื่อสติระลึกรู้สภาวะบางอย่าง เช่นกิเลส ท, ที่ผุดขึ้นกลางอกก็หลงไปดูสภาวะนั้นแล้วสภาวะนั้นก็จะหลบตัวลึกลงไปอีกผู้ปฏิบัติก็หลงส่งจิตตามไปดูสภาวะนั้นโดยคิดว่าจะดูเข้าไปถึงต้นต่อของสภาวะในขณะนั้นผู้ปฏิบัติเห็นแต่สภาวะแต่ลืมรู้ทันว่าจิตกำลังหลงไปดูสภาวะเสียแล้วและเมื่อตามลึกลงไปอีก สภาวะนั้นก็จะหายไปอย่างไร้ร่องรอยกลายเป็นความว่างอยู่ภายในผู้ปฏิบัติก็หลงอยู่กับอารมณ์ว่างๆในส่วนลึกของจิตนั้นเพื่อรอดูว่าเมื่อไรสภาวะใดจะผุดออกมาอีกจะได้เห็นต้นต่อว่ามันผุดออกมาจากที่ใดแล้วคิดว่ากำลังดูจิตอยู่เรื่องนี้ผู้เขียนเองเคยผิดพลาดมาแล้วครั้งนั้น หลวงปู่มรณภาพไปแล้วแด้ผู้เขียนได้พบหลวงปู่สิมพุทธาจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องท่านได้กรุณาเตือนผู้เขียนว่าผู้รู้ผู้รู้ท่านเรียาผู้เขียนว่าผู้รู้ออกมาอยู่นอก น, อกนี่กิเลสมันไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกผู้เขียนจึงเกิดรู้ขึ้นมาว่ากิเลตนั้นอาศัยการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจึงเกิดขึ้นได้ หากมูลหลงอยู่กับอารมณ์อันละเอียดลึกในภพละเอียดอย่างนั้นก็ไม่มีการกระทบอารมณ์หยาบย่อมไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้กิเลสหยาบเกิดขึ้นมาได้ไปรอดูก็ไม่เห็นเพราะมันไม่มีเหตุให้เกิดส่วนกิเลสที่กำลังเกิดอยู่คืออวิชชาและโลภะที่ละเอียดนั้นสติปัญญายังไม่แก่กล้าพอที่จะเห็นได้จึงมองหากิเลสอย่างไรก็ไม่เห็นกิเลสส เมื่อสติรึกรู้ความไหวยิบยับที่ผุดขึ้นกลางอกก็หลงไปดูความไหวนั้นดูเป็นเดือนๆทั้งวันทั้งคืนความไหวนั้นก็ไม่หายไปสักทีผู้ปฏิบัติจึงเกิดความฟุ้งซ่านรําคาญใจว่าอะไรหนอมันไหวอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนแท้จริงมันคือความปรุงแต่งอย่างหนึ่งของจิตเท่านั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็คือสักว่ารู้แล้วรู้ทันจิตไม่ใช่หาทางไปดับมัน และหากไปหลงจ้องมันจนลืมตัวจิตจะถลำ้าไปแช่อยู่กับความไหวๆนั้นแล้วคิดว่ากำลังดูจิตอยู่ต่อเมื่อจิตมีกำลังตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตจึงจะแยกออกจากสิ่งไหวๆนั้นแล้วจเจริญปัญญาต่อไปได้ 4. เมื่อตามดูจิตอยู่นั้นบางคราวผู้ปฏิบัติก็หลงไปเพ่งจิตและเกิดนิมิตขึ้นได้เช่น เห็นจิตเป็นดวงสว่างผุดขึ้นกลางอกเห็นเป็นพระพุทธรูปนั่งสมาธิอยู่กลางอกเห็นพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมให้ฟังหรือได้ยินเสียงจิตแสดงธรรมขึ้นมาเองหรือเห็นความไหวๆสองสามขณะแล้วเห็นจิตเป็นดวงสว่างโผล่แววกสิ่งห่อหุ้มออกมาบางส่วนเป็นต้นถ้าผู้ปฏิบัติไปหลงสาคัญมั่นหมายยินดีในสิ่งเหล่านี้ก็จะลืมดูจิต การจะป้องกันการหลงไปดูสิ่งอื่นที่ไม่ใช่จิตนั้นกระทำได้โดย 1. ผู้ปฏิบัติพึงระลึกอยู่เสมอว่าตนมีหน้าที่ศึกษารูปนามกายใจของตนเองเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่ควรสนใจนิมิตหมายภายนอกใดๆทั้งสิ้นและ 2. ผู้ปฏิบัติพึงมีโยนิโสมนัสการ คือมันสังเกตจิตใจของตนให้รอบครอบว่าดำเนินอยู่ในลู่ทางของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจริงหรือไม่เพราะจิตมีธรรมชาติปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาจำเป็นจะต้องระมัดระวังเพราะหากผู้ปฏิบัติรู้ไม่เท่าทันความปรุงแต่งของจิตก็จะหลงไปดูความปรุงแต่งหรือนิมิตหมายภายในแทนการดูจิตและไม่เห็นกิเลสที่กาลังซ่อนเร้นบงการพฤติกรรมของจิตอยู่ ซึ่งโดยส่วนมากผู้ดูจิตมักมีพฤติกรรมส่งจิตไปดูจิตหรือส่งจิตไปเที่ยวแสวงหาจิตด้วยอำนาจบงการของโลภะคือความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ทั้งที่หลวงปู่สอนว่าอย่าใช้จิตแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจออันหนึ่งความจงใจส่งจิตไปดูสิ่งต่าง ทั้งภายนอกและภายในนั้นหลวงปู่ท่านเรียกว่าจิตส่งออกนอกทั้งสิน้นลักษณะของการดูจิตที่ปิดพลาดข้อต่อไปคือ 5.2.3 งการจงใจดูจิตอย่างเดียวผู้ดูจิตที่ไม่เข้าใจหลักของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมักพยายามจะดูจิตอย่างเดียวโดยไม่ดูอารมณ์รูปนามอย่างอื่น นั่นเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติที่ใช้อารมณ์กรรมฐานอย่างอื่นๆด้วยเช่นกันเพราะผู้ปฏิบัติส่วนมากเมื่อต้องการทำกรรมฐานโดยมีอารมณ์อันใดอันหนึ่งเป็นวิหารธรรมเช่นลมหายใจท้องผ่องยุบมือที่เคลื่อนไหวเท้าที่เคลื่อนไหวเวทนาทางกายเวทนาต่างใจและจิตเป็นต้น ก็มักพยายามที่จะให้สติอย่างรู้ลงที่อารมณ์อันนั้นอย่างเดียวโดยไม่สนใจอารมณ์อื่นเช่นพยายามจะรู้ลมหายใจอย่างเดียวพยายามรู้ท้องพองยุบอย่างเดียวกระทั่งพยายามจะดูจิตอย่างเดียวนั่นเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากความไม่เข้าใจความจริงที่ว่าทั้งจิตและสติอันเป็นเครื่องมือของจิตในการระลึกรู้อารมณ์ต่างก็เป็นอนัตตา ไม่มีใครสามารถสั่งจิตและสติให้เกิดขึ้นและระลึกรู้อารมณ์อย่างเดียวได้เว้นแต่ผู้ทำสมถกรรมฐานที่เพ่งรูปหรือนามหรืออารมณ์บัญญัติต่างๆเป็นอารมณ์ที่สามารถรู้อารมณ์ที่เพ่งนั้นได้ต่อเนื่องยาวนานซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะการเพ่งรูปอย่างมากก็ได้ความสงบในรูปฌานรวมทั้งพรหมลูกฟัก ที่ผู้ปฏิบัตินั่งตัวแข็งขาดสติและการเพ่งนามอย่างมากก็ได้ความสงบในอารมป์ฌานดังนั้นการดูจิตจึงไม่ใช่การจงใจดูแต่จิตอย่างเดียวแต่หมายความถึงว่าเมื่อตาเห็นรูปหากมีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นที่จิตเช่นมีความยินดียินร้ายในรูปก็ให้รู้ทันจิตเมื่อหูได้ยินเสียง หากมีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นที่จิตเช่นมีความยินดียินร้ายในเสียงก็ให้รู้ทันจิตเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นกระทบรสเมื่อกายกระทบความเย็นร้อนอ่อนแข็งและเมื่อใจคิดนึกปรุงแต่งหากมีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นที่จิตเช่นมีความยินดียินร้ายในความปรุงแต่งนั้นก็ให้รู้ทันจิตเป็นต้นทั้งนี้ หากตาหูจมูกลิ้นกายและใจกระทบอารมณ์แล้วไม่เกิดมีปฏิกริยาใดๆขึ้นที่จิตก็ไม่ต้องจงใจย้อนมาดูจิตเพราะจะกลายเป็นการเพ่งจิตไปโดยอัตโนมัติและหากเกิดมีปฏิกริยาใดๆขึ้นที่จิตแล้วสติเกิดระลึกรู้ได้เองโดยไม่ได้จงใจนั่นจึงจะเป็นการดูจิตที่ใช้ได้การจงใจดูจิตอย่างเดียวเป็นความผิดพลาดในเบื้องต้น แต่เมื่อจงใจดูจิตอย่างเดียวแล้วผู้ปฏิบัติยังมักก้าไปสู่ความผิดพลาดอย่างอื่นอีกคือส่วนมากจะหลงพยายามดัดแปลงแก้ไขอาการของจิตหรือหลงพลาดไปเพ่งนามธรรมอันเป็นอารมณ์ละเอียดภายในหรืออรูบารมเข้าลักษณะของการดูจิตที่ผิดพลาดข้อต่อไปคือ 5.2.4 การหลงแก้หรือดัดแปลงอาการของจิต การหลงดูสิ่งอื่นที่ไม่ใช่จิตเป็นการหลงตามความปรุงแต่งของจิตและการจงใจดูจิตอย่างเดียวเป็นการหลงทำสมถกรรมฐานเพราะความไม่เข้าใจหลักของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานส่วนการดัดแปลงจิตที่กล่าวในข้อนี้เป็นการขัดขืนต่อต้านความปรุงแต่งของจิตเพราะไม่อยากให้จิตเป็นอย่างที่เป็นอยู่ ผลของการแก้หรือดัดแปลงอาการของจิตก็เป็นการทำสมถะกรรมฐานเช่นกันวิธีดัดแปลงจิตก็คือการพยายามทำสิ่งตรงข้ามกับสิ่งที่จิตกำลังเป็นอยู่ตัวอย่างเช่น 1. พอเห็นจิตเคลื่อนหรือไหลไปคิดก็พยายามดึงจิตกลับมาแล้วพยายามประคองจิตให้หยุดคิดบางท่านอ้างว่า หลวงปู่สอนให้หยุดคิดซึ่งนั่นเป็นคำสอนเฉพาะตัวกับผู้ที่พยายามจะทำความเข้าใจธรรมะด้วยการคิดท่านจึงมักทำเสียงดุดุให้หยุดคิดหมายถึงให้เลิกคิดค้นคว้าแล้วหันมาตามรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงท่านไม่ได้สอนให้เลิกคิดตลอดเวลาเพราะท่านก็บอกอยู่เสมอว่าผู้ที่เว้นขาดจากความคิดและความปรุงแต่งได้จริงก็คือ ผู้เข้าเนื้อรธสมาบัติเท่านั้น 2. พอเห็นจิตฟุ้งซ่านก็พยายามน้อมให้สงบ 3. พอเห็นจิตโกรธก็พยายามทำให้หายโกรธ ด, ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการแผ่เมตตาและการบริกรรม 4. พอเห็นจิตโลภก็พยายามพิจารณากาย หรือสิ่งภายนอกให้เห็นเป็นปฏิกูลและอาสุพะห้าพอเห็นจิตเป็นก้อนหนักน ก, ก็พยายามแก้ไขให้เบาหกพอเห็นจิตมีความทุกข์ก็พยายามแก้ไขให้มีความสุข 7. จพอเห็นจิตมีความสุขก็พยายามประคองรักษาไว้เป็นต้นโดยหวังว่าการกระทาดังกล่าวจะส่งผลให้จิตดีจิตสุข จิตสงบหรือจิตบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วซึ่งเบื้องหลังก็คือความรักตัวเองนั่นเองวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่การดัดแปลงจิตหรืออารมณ์แต่เป็นการเห็นความเป็นจริงของจิตและอารมณ์รูปนามทั้งปวงว่าเป็นไตรลักษณ์ดังนั้นถ้ากายเป็นอย่างไรก็พึงรู้ว่ากายเป็นอย่างนั้นและถ้าจิตเป็นอย่างไร ก็พึงรู้ว่าจิตเป็นอย่างนั้นจึงจะเป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้องลักษณะของการดูจิตที่ผิดพลาดข้อต่อไปคือ 5.2.5 การหลงเพ่งจิตและนามตามุนอื่นอันเป็นอารมณ์ละเอียดภายในการดูจิตกับการเพ่งจิตเป็นเรื่องที่แตกต่างกันมากเพราะการดูจิตคือการที่สติ เกิดไประลึกรู้ความเป็นจริงของจิตตามที่จิตเป็นอยู่โดยไม่ได้จงใจที่จะระลึกรู้แต่ถ้าผู้ใดจงใจจะดูจิตผู้นั้นจะเพ่งจิตหรือหลงไปเพ่งอารมณ์อันเป็นนามธรรมาอื่นๆโดยคิดว่ากำลังดูจิตอยู่ทั้งนี้จิตและนามธรรมา ท, ทั้งหลายนั้นจัดเป็นอารมณธรรมและเมื่ออรมณธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ คือเป็นอารมณ์ที่ใจไปรู้เข้าก็เรียกว่าอารูุปารมซึ่งการเพ่งอารูุปารมหรืออารมณ์ที่ไม่ใช่รูปมีสี่ประเภทคือ 1. การเพ่งช่องว่างหรืออากาสานัญจาตนะผู้ที่พยายามดูจิตจำนวนมากไปหลงเพ่งช่องว่างที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าซึ่งเป็นการเพ่งด้วยใจไม่ใช่เพ่งด้วยตา ผู้ใดเพ่งจิตหรือส่วนของกายเช่นลมหายใจด้วยตาก็จะเกิดอาการปวดตาและช่องว่างนั้นบางครั้งปรากฏกว้างๆแต่มีขอบเขตบางครั้งก็ดูลึกล้ำซึ่งแม้จะส่งจิตตามไปดูจนไกลแสนไกลก็ดูไปไม่ถึงที่สุดตรงกับสิ่งที่อภิธรรมกล่าวถึงการทำอรูปฌานชนิดหนึ่งที่ว่าอากาโสอนันโต คือความว่างไม่มีที่สุดซึ่งสามารถทำให้เกิดอากาส า, านัญจายตนะชาณจิตได้บรรดาผู้ที่ชอบเพ่งความว่างทั้งหลายจะมาหลงติดอยู่ที่ตรงนี้เองจิตใจจะมีความสุขความสบายเสมือนหนึ่งปราศจากกิเลสตัณหาทั้งปวงและไม่สามารถย้อนเข้ามารู้กายรู้ใจหรือรู้รูปนามภายในอันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นตัวเราได้ จึงไม่สามารถเจริญวิปัสสนาได้จริงได้แต่ติดใจในความว่างอันสุขสงบนั้นเท่านั้นบางคนถึงกับสำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์ก็เคยพบมาแล้ว 2. การเพ่งจิตหรือวิญญาณัญจายตนะผู้ปฏิบัติบางท่านอ้างคำสอนของหลวงปู่ที่ว่าจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนดังตาเห็นรูป แล้วพยายามมองเข้าไปที่ตัวจิตเพราะต้องการจะมีจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งตามคำสอนของหลวงปู่โดยไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่หลวงปู่สอนว่าท่านหมายถึงการรู้ความเป็นจริงของจิตว่าเป็นไตรลักษณ์ไปเข้าใจว่าเป็นการมองเห็นตัวจิตจริงๆด้วยใจว่ามีรูปร่างแสงสีอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งย่อมเห็นไม่ได้จริงเพราะจิตเป็นอรูป สิ่งที่เกิดเห็นขึ้นมานั้นล้วนแต่เป็นนิมิตจอมปลอมทั้งสิ้นและไม่ทราบเลยว่านั่นเป็นการใช้จิตแสวงหาจิตซึ่งหลวงปู่ยืนยันว่าหาอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอบางท่านก็พยายามจะเห็นจิตให้แจ่มแจ้งด้วยการปัดเจตสิกหรือสิ่งที่ประกอบจิตออกไปจากจิตให้หมดเพื่อจะได้เห็นจิตที่บริสุทธิ์เช่น พยายามปัดความไหวยิบยับต่างๆออกไปแล้วประคองจิตให้นิ่งสนิทไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นหรือพยายามดับความคิดและความปรุงแต่งต่างๆให้หมดสิ้นทั้งที่จิตมีธรรมชาติรู้สึกนึกคิดเพราะถือว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่จิตและเชื่อว่าถ้าแยกสิ่งปรุงแต่งออกจากจิตไม่ได้จะทำให้ไม่สามารถเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งได้เหมือนการมองดูสิ่งของใต้น้า ในขณะที่น้ากำลังกระเพื่อมอยู่การกระทำดังกล่าวจัดเป็นความปรุงแต่งอีกอย่างหนึ่งเป็นการเพ่งจิตให้สูญเสียคุณสมบัติในการเป็นธรรมชาติที่รู้สึกนึกคิดจึงไม่ใช่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นผู้ปฏิบัติต้องรู้จิตตามความเป็นจริงไม่ใช่เพ่งจิตให้นิ่งสนิทผิดปกติธรรมดาแต่อย่างใดอันหนึ่ง คำว่าจิตที่บริสุทธินั้นไม่ได้แปลว่าจิตที่อยู่โดดโ ด, ด, โดยปราศจากเจตสิกเพราะจิตกับเจตสิกย่อมเกิดร่วมกันเสมอแต่หมายถึงจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงเป็นอิสระเพราะมีปัญญารู้แจ้งอริยสัจสมดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาซึ่งท่ากับท่านบอกอยู่ตรงๆแล้วว่า ไม่ได้ถึงด้วยการปัดเจตสิกออกจากจิตแต่ถึงเพราะเจริญวิปัสนาจนรู้แจ้งความจริงของรูปนามต่างหากบางท่านพิจารณาว่าจิตเป็นตัวผู้รู้จึงพยายามเพ่งใส่ตัวผู้รู้เพราะคิดว่านั่นคือการดูจิตและทันทีที่จงใจมองตัวผู้รู้ตัวผู้รู้เดิมจะดับไปและกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ในฉับพลัน โดยเกิดตัวผู้รู้ตัวใหม่ขึ้นแทนเมื่อจงใจดูตัวผู้รู้อีกก็จะเกิดตัวจิตผู้รู้ซ้อนซ้อนกันเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดตรงกับสิ่งที่อภิธรรมกล่าวถึงการทำอรูปฌานชนิดหนึ่งที่ว่าวิญญาณังอนันตังคือวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งสามารถให้เกิดวิญญาณัญจายตนะฌานจิตได้แท้จริงคาว่า จงทํายานเห็นจิตให้เหมือนดังตาเห็นรูปนั้นท่านก็บอกชัดอยู่แล้วว่าให้เห็นจิตด้วยยานคือปัญญาไม่ใช่เห็นด้วยการเอาสติไปเพ่งจ้องตัวจิตซึ่งการเห็นด้วยปัญญานั้นย่อมเห็นถึงลักษณะความเป็นไตรลักษณ์ของจิตในขณะที่การเห็นด้วยสติจะรู้ได้เพียงแค่ความมีอยู่ของจิตและท่านให้เห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปหมายความว่า ให้รู้ถึงสภาวะของจิตจริงๆซึ่งเป็นปรมัตธรรมเพราะรูปที่ตาเห็นจริงๆก็เป็นปรมัตธรรมและเมื่อเห็นแล้วก็ไม่หลงเติมสมมุติบัญญัติหรือเติมความคิดนึกปรุงแต่งใดๆลงในการเห็นนั่นอีกสิ่งที่ตามองเห็นคือรูปอันได้แก่สีต่างๆตัวสีเป็นอารมณ์ปรมาส่วนที่เห็นเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นนั่นเป็นนี่ เกิดจากการแปลความหมายของสีต่างๆออกมาอีกชั้นหนึ่งบรรดาคนสัตว์สิ่งของต่างๆนั้นจัดเป็นอารมณ์ยัตคือเป็นสิ่งที่คิดนึกเอาเองไม่มีสภาวธรรมจริงๆมารองรับซึ่งเรื่องปรมัตธรรมกับบัญยัตเป็นเรื่องสำคัญมากที่ทั้งนักปริยัตและนักปฏิบัติจะต้องทำความเข้าใจขอให้อ่านเพิ่มเติมได้จากตาราอภิธรรมหรือนงสือเรื่องประทีปส่อธรรม หรือทางเอกที่ผู้เขียนได้เขียนแจกมาก่อนหน้านี้แล้ว 3. การเพ่งความไม่มีอะไรหรืออากินจัญญายตนะนักดูจิตบางท่านเห็นว่าการเพ่งจ้องจิตยังเป็นภาระมากจึงปัดความรับรู้จิตทิ้งไปอีกชั้นหนึ่งโดยอ้างคาสอนที่หลวงปู่สอนหลวงพ่อพุธกับผู้เขียนว่าพบจิต ให้ทำลายจิตพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ซึ่งความจริงหมายถึงการไม่ยึดถือจิตเพราะมีปัญญาเห็นแจ้งอริยสัจไม่ได้หมายความว่าให้ดับจิตลงไปหรือให้เลิกรู้จิตและปล่อยใจให้อยู่กับความไม่มีอะไรซึ่งแม้จะเป็นสภาวะที่มีความสุขสงบมากจนเสมือนว่าปราศจากกิเลสและเข้าถึงความเป็นพระอรหันแล้ว แต่อาสวะกิเลสโดยเฉพาะอาวิชชายัางนอนเนื่องซ่อนเร้นอย่างมิดชิดอยู่ในจิตสันดานวันหนึ่งก็จะกลับกำเริบขึ้นมาได้อีกการจงใจทิ้งการตามรู้จิตโดยไม่คำนึงว่าได้ละอาวิชชาแล้วหรือไม่ก็เหมือนการทิ้งเรือกลางมหาสมุทรนั่นเองที่จริงต้องปฏิบัติให้ถึงฝั่งคือเห็นแจ้งอริยสัจก่อนจึงจะปล่อยวางจิตได้เอง โดยไม่ต้องจงใจเมื่อจงใจทิ้งการตามรู้จิตแล้วก็น้อมใจไปหยุดอยู่กับความไม่มีอะไรตรงนี้ก็อ้างคำสอนของหลวงปู่ได้อีกว่าจงเจริญจิตให้หยุดอยู่บนความไม่มีอะไรซึ่งท่านมุ่งสอนให้หยุดการใช้จิตเที่ยวสแสวงหาอารมณ์คือให้รู้โดยไม่ทำอะไรมากกว่ารู้ไม่ได้สอนว่าไม่รู้อะไรเลยหรือ รู้ความไม่มีอะไรเลยหรือบางคนก็อ้างคําที่หลวงปู่สอนว่าว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างแล้วน้อมใจไปสู่ความว่างหรือความไม่มีอะไรเลยนั่นก็เป็นการตีความคําสอนที่คลาดเคลื่อนอีกเช่นกันเพราะสภาวะดังกล่าวท่านหมายถึงนิพพาน อันเป็นปลายทางไม่ใช่ต้นทางดำเนินไปสู่นิพพานซึ่งต้นทางนั้นท่านก็สอนไว้แล้วอย่างชัดเจนว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคท่านไม่ได้สอนว่าจิตเห็นสุญญาตาเป็นมรรคการน้อมใจไปอยู่กับความไม่มีอะไรเป็นการทำสมถกรรมฐานไม่ใจะทางบรรลุมรรคผลนิพพานแต่อย่างใดตรงกับสิ่งที่อภิธรรม กล่าวถึงการทำอารมประชานชนิดหนึ่งที่ว่านัตติกินจิคือนิดหนึ่งก็ไม่มีหน่อยหนึ่งก็ไม่มีซึ่งสามารถให้เกิดอากิญจัญญายตนะชาณจิตได้ 4. การน้อมใจให้เคลือบเคลิม้มแทบจะปราศจากสัญญาหรือเนวะสัญญานาสัญญาญาตนะผู้ดูจิตที่มุ่งดูจิตอย่างเดียว ไม่สนใจการกระทบอารมณ์ที่หยาบเมื่ออยู่กับอารมณ์ที่ละเอียดประณีตนานๆสัญญาคือความจำได้และความหมายรู้อารมณ์จะอ่อนกำลังลงเพราะอารมณ์ที่รู้อยู่นั้นมีแต่ความไม่มีอะไรที่จะต้องจดจำหรือหมายรู้จึงเกิดสภาวะที่สงบลึกแทบจะหมดความรู้สึกตัวแล้วมักพอใจในสภาวะของความสงบนั้นคิดว่า นี่คือนิพพานหรือทางไปสู่นิพพานทั้งที่ความจริงเป็นเพียงการทำสมถกรรมฐานอย่างหนึ่งตรงกับสิ่งที่อภิธรรมกล่าวถึงการทำอรูปฌานชนิดหนึ่งที่ว่าเอตังสันตังเอตังปณีตังคือสงบประนีตซึ่งสามารถให้เกิดเนวสัญญานาสัญญาจตนชานจิตได้จิตเป็นของละเอียด หากผู้ปฏิบัติมุ่งรู้จิตอันละเอียดประณีตอย่างเดียวสติจะอ่อนกำลังลงจนกระทั่งไม่สามารถรู้จิตได้จริงจำเป็นต้องปล่อยให้จิตออกรู้อารมณ์หยาบเช่นร่างกายตลอดจนรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐะบ้างจิตจึงจะมีกำลังรวมทั้งควรปฏิบัติ ต, ตามรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิ การเดินจงกรมหรือทำความสงบจิตบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อช่วยเ้จิตมีกำลังดูจิตมากขึ้นลักษณะของการดูจิตที่ผิดพลาดข้อต่อไปคือ 5.2.6 การจงใจปล่อยวางจิตผู้ปฏบิบัติบางท่านแทนที่จะเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญารอบรู้ในกองขันทั้งปวงซึ่งหมายรุนทั้งจิตว่าเป็นตัวทุกข์ อันเป็นเหตุให้จิตปล่อยวางขันรวมทั้งจิตและเข้าถึงความเป็นอิสระอย่างแท้จริงได้กลับจงใจปล่อยวางจิตโดยคิดว่าเป็นทางลัดสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยวิธีการต่างๆเช่น 1. การไม่รับรู้ถึงความมีอยู่ของจิตบางท่านเคยได้ยินว่าเมื่อปฏิบัติถึงขั้นสุดท้ายจะต้องปล่อยวางจิต แต่แทนที่จะตามรู้จิตจนเกิดปัญญาเห็นแจ้งว่าจิตเป็นตัวทุกข์แล้วจิตปล่อยวางจิตได้เองกลับใช้วิธีไม่รับรู้ถึงความมีอยู่ของจิตและแกล้งปล่อยให้จิตทำงานไปตามแรงผลักของกิเลสโดยคิดว่านั่นคือความไม่ยึดถือจิตจนบางท่านถึงกับสติแตกคือถูกกิเลสและอารมณ์ต่างๆครอบงำจิตเกิดความพลุ่งพล่านเหมือนคนบ้าเป็นระยะระยะ แต่คิดว่าตนเป็นพระอรหันต์แล้ว 2. การหลงติดอยู่ในภพละเอียดภายนอกบางท่านก็จงใจส่งจิตไปอยู่ในภพละเอียดคือความว่างความสว่างและความสงบสุขที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าโดยไม่สามารถย้อนทวนเขามารู้กายรู้ใจได้สภาวะอันนี้แหละที่ผู้เขียนมักบอกกับเพื่อนนักปฏิบัติว่าจิตไม่ถึงฐานบ้างจิตไม่ตั้งมั่นบ้าง สภาวะนี้เกิดจากจิตหลงถลำตามรู้สภาวะบางอย่างเช่นกิเลสหรือความคิดออกไปภายนอกพอสิ่งที่ถูกตามรู้นั้นดับไปจิตก็เกิดความสงบสุขโปรง่งโล่งเบาสบายขึ้นแล้วมีราคะคือความพอใจในสภาวะอันสุขสบายนั้นแต่ไม่มีสติรู้ทันราคะที่เกิดขึ้นราคะนั้นจึงครอบงาจิต กลายเป็นตันหาคือความอยากได้สภาวะนั้นจิตจึงเข้าไปเคล้าเคลียเพลิดเพลินมีอุปาทานหลงติดอยู่ในสภาวะนั้นอันเป็นภพละเอียดซึ่งปรากฏอยู่ตรงหน้าไม่สามารถจเจริญวิปัสสนาต่อไปได้และพอใจที่จะอยู่ในภพชนิดนี้เพราะมีความสุขความสบายมากบางท่านถึงกับคิดว่าตนเป็นพระอรหันต์แล้ว และออกสั่งสอนให้ผู้อื่นน้อมจิตไปอยู่ในความว่างตามไปด้วยถ้าสิทธิ์คนใดทําความว่างได้ที่ก็ตั้งให้เป็นพระอริยบุคคลชั้นนั้นชั้นนี้ที่ปฏิบัติผิดพลาดอย่างนี้ก็เพราะรีบปล่อยวางจิตทั้งที่ยังไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนเกิดปัญญารู้แจ้งในกองทุกข์คือรูปนามกายใจนั่นเองแท้จริงถ้าจิตปล่อยวางจิตได้จริงเพราะมีปัญญาเห็นแจ้งอริยสัจ จิตจะไม่แยกตัวออกเป็นสองชั้นคือภายในกับภายนอกแต่จะกลายเป็นจิตหนึ่งซึ่งกว้างขวางไร้ขอบเขตแต่ถ้าจงใจปล่อยวางจิตจิตจะเหมือนมีขอบเขตของความรับรู้อยู่ภายนอกไม่สามารถทวนกระแสเข้ามารู้กายรู้ใจของตนเองได้คนและสัตว์ทั่วไปที่ไม่เคยจเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะรู้สึกว่าจิตกับกายและอารมณ์ต่างๆ รวมกันเป็นหนึ่งและเป็นตัวเราผู้ที่เจริญวิปัสสนาเป็นแล้วจะรู้สึกว่าจิตแยกออกจากอารมณ์ทั้งหลายและจิตเองก็ตกอยู่ในภาวะของความเป็นคู่คือเป็นจิตที่มีราคะบ้างไม่มีราคะบ้างเป็นจิตที่มีโทสะบ้างไม่มีโทสะบ้างเป็นจิตที่มีโมหะบ้างไม่มีโมหะบ้างเป็นจิตที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง ผู้ที่จงใจปล่อยวางจิตจะรู้สึกว่าจิตเป็นหนึ่งมีความสุขสบายโล่งว่างปราศจากกิเลสอยู่อย่างนั้นได้นานๆแต่ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าจิตยังมีขอบเขตของความรับรู้ที่จำกัดคือแม้จะรู้ภายนอกได้กว้างขวางไม่มีประมาณรวมทั้งอาจรู้ใจของผู้อื่นได้ด้วยแต่ก็ไม่สามารถทวนกระแสเข้ามารู้สภาวะธรรมภายใน คือกายกับใจของตนเองได้ราวกับมีกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นไว้ส่วนท่านผู้ปล่อยวางจิตได้จริงเพราะมีปัญญาเห็นแจ้งอริยสัจจะมีจิตหนึ่งไม่มีภายในและภายนอกแต่เป็นหนึ่งเดียวรวดคือเห็นจิตกับสภาวะที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวรวดความรับรู้ย่อมปลอดโปรง่งไม่มีจุดติดขัดในที่ใดไม่มีหยาบหรือละเอียด ไม่ติดในกุศลหรืออกุศลไม่กระเพิ่มขึ้นหรือกระเพื่อมลงจิตเข้าถึงสภาวะที่ไม่มีสิ่งใดปรุงแต่งได้อันหนึ่งจิตหนึ่งไม่ใช่นิพานแต่เป็นจิตชนิดที่อภิธรรมเรียกว่ากิริยาจิตเป็นเครื่องอาศัยรู้อารมณ์และทำหน้าที่คิดนึกของพระอรหันต์เท่านั้นไม่ใช่ที่ตั้งแห่งความยึดมั่นแต่อย่างใด 5.3 การป้องกันความผิดพลาดดังที่ได้กล่าวแล้วว่าผู้ปฏิบัติต้องอาศัยกัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์ที่รู้จริงและหรือมีโยนิโสมนสิการแต่ในยุคนี้เมื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้ดำรงประชนอยู่ให้เราทูลถามได้แล้วก็ไม่มีผู้ใด ย, ยืนยันได้ว่าท่านผู้ใดเป็นกัลยาณมิตรผู้รู้จริง และประกอบด้วยเมตตากรุณาอันบริสุทธิ์เราก็ได้แต่คาดเดาด้วยจิตของคนที่ยังมีกิเลสอยู่ว่าท่านผู้นั้นผู้นี้น่าจะเป็นผู้รู้จริงซึ่งถ้าเราเดาผิดหลงเดินตามท่านที่ยังหลงผิดอยู่การปฏิบัติของเราก็จะต้องเลิดเปิดเปิงออกนอกลู่นอกทางตามอาจารย์ไปอย่างแน่นอนดังนั้นไม่ควรน้อมใจเชื่ออาจารย์ให้มากนัก แต่ควรศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แจ่มชัดแล้วอาศัยการพิจารณาอย่างแยบคายไปตรวจสอบคำสอนของอาจารย์และสังเกตตรวจสอบการปฏิบัติของตนด้วยว่าถูกตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ทั้งนี้ถ้าการปฏิบัติใดถูกตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในจิตใจตนเอง ที่จะมีอินซีแก่รอบขึ้นตามลำดับแต่ถ้าปฏิบัติไปนานๆด้วยความพยายามตามสมควรแล้วไม่เห็นพัฒนาการในตนเองที่พออุ่นใจได้ก็พึงตั้งข้อสังเกตไปว่าสิ่งที่ตนปฏิบัติอยู่นั้นอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ซึ่งอาจเป็นเพราะ 1. อาจารย์สอนผิดหรือ 2. อาจารย์สอนถูกแต่ตนปฏิบัติผิด จนจิตไปติดข้องลุ่มหลงอยู่กับสภาวะอันใดอันหนึ่งโดยไม่รู้ตัวหรือ3อาจารย์สอนถูกและตนปฏิบัติถูกแต่อย่างย่อหย่อนความเพียรหรืออินทรียังไม่แก่รอบพอที่จะเกิดมรรคผลก็ได้การปฏิบัติที่ถูกต้องจะช่วยลดละอกุศลลงได้โดยไม่ต้องฝืนใจมากนักและทำกุศลให้จเจริญขึ้นตามลาดับโดยไม่ต้องพยายามมากนักทั้งกุศลที่จเจริญขึ้น ก็ต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยสติปัญญาไม่ใช่ความงมงายหรือมีกิเลสซ่อนอยู่เบื้องหลังทั้งนี้กุศลที่จะเจริญขึ้นตามลำดับได้แก่ 5.3.1 ผู้ปฏิบัติถูกต้องจะมีสติซึ่งผู้เขียนมักจะเรียกว่าตื่นและได้รับความสุขในปัจจุบันเพราะความมีสตินั้นทำให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน หากปฏิบัติแล้วเครียดมากขึ้นทุกทีแสดงว่าทำผิดแน่นอน 5.3.2 ผู้ปฏิบัติถูกต้องจะมีความละอายต่อการทำชั่วและเกรงกลัวต่อผลของบาป 5.3.3 ผู้ปฏิบัติถูกต้องจะมีความสมบูรณ์แห่งศีลห้าดีขึ้นตามลำดับเรื่องศีลห้านี้เป็นศีลที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นองค์ประกอบของอริยมรรค กล่าวคือศีลข้อ1ข้อ2และข้อ3เป็นองค์ธรรมของสัมมากัมมันตะศีลข้อ4เป็นองค์ธรรมของสัมมาวาจาและศีลข้อ5เป็นเครื่องสนับสนุนสัมมาสติดังนั้นศีลหจึงเป็นศีลที่จําเป็นที่สุดส่วนศีลที่มากกว่านั้นเป็นเครื่องช่วยบรรเทาความผัวพันในกาม 5.3.4 ผู้ปฏิบัติถูกต้องจะได้ความตั้งมั่นของจิตหรือสัมมาสมาธิ 5.3.5 ผู้ปฏิบัติถูกต้องจะได้สัมมาทิฐิเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจธรรมหามผู้ปฏิบัติถูกต้องจะได้ความเบาบางจางกลายจากความยึดถือทั้งหลาย 5.3.7 ผู้ปฏิบัติ ถูกต้องจะถึงความหลุดพ้นจากความยึดถือในรูปนามและสิ่งทั้งปวง 5.3.8 ผู้ปฏิบัติถูกต้องจะได้ความรู้เกี่ยวกับธรรมแห่งความหลุดพ้นคือ น, นิพานขอฝากให้เพื่อนนักปฏิบัติสำรวจพัฒนาการทางจิตใจของตนเองทุกๆไตรมาส ถ, ถ้าไม่มีพัฒนาการเลยหรือเกิดความเสื่อมถอยมากขึ้นทุกทีทุกทีก็จาเป็นต้องตรวจสอบว่า เกิดจากอะไรเช่นมีภาระหมกมุ่นทางโลกมากจนไม่มีเวลาและกําลังที่จะปฏิบัติหรือไม่ศีลบกพร่องหรือไม่เรียนรู้จิตใจตนเองน้อยเกินไปหรือไม่ขาดการปฏิบัติในรูปแบบและการทําความสงบสุขทางใจหรือไม่ฟุ้งซ่านในธรรมหรือไม่และไปติดในภพของนักปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นความนิ่งความว่างหรือไม่ หากตรวจสอบไม่ได้หรือตรวจสอบแล้วไม่แน่ใจก็ต้องขวนขวายศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่รู้จริงซึ่งก็หาได้ยากเหลือเกิน1ตุลาคม2551